รวมที่แห่งเดียวคิวของสังขานคิวของโลกมารวมที่แห่งเดียวลมเข้าข้างหนึ่งมีข้างเกิดเพื่อนแปรปวนและแตกต่างลมออกข้างหนึ่งก็เหมือนกันพอเราบัญญัติว่าต้นลมก็กลายเป็นกลางลมพอเราบัญญัติว่ากลางลมก็กลายเป็นท้ายลมก็วนเวียนกันอยู่ปั่นจะขัน ถ้าใจไม้มั่นเนี่ยถือว่าตนเองก็ไม่พ่นยาพิษมานเผาจิตง้เขาถือเอาเป็นเหตุตกในเขตุก้นน้ำให้เป็นตูวงัวมาหลายกลายเป็นอดีตตีดขวางผู้รู้อนาคตรอบให้หมดอนัตตาธรรมกมจะไม่นำติดต่อขอพบ ใจถูกรบปรงถึงําว่าไม่อยู่ห่างทางไปนิพพานถ้าเที่ยวชาญเดินมัคควิทีต่อติดดีไม่มีวันเ้นใจก็เด่นเห็นธรรมไม่ตายจะบรรยายไปหลายก็่าล้าลนละก่อนจะมากก็ออกจากอันเดียวถ้าหลงอันเดียวก็เถี่ยก็ก็หลงหมดถ้าหลงอันเดียวจึงในเที่ยวสองสารอยู่นานนวนชา ปัญญากราหันหาต้นเหตุยดนิเทศเป็นเอกจิตธรรมไม่ล่วงล้ำไปหาทางอื่นไม่ต้องตื่นหรอกในการโวหารยดนั่งมาหาเอกจิตเอกธรรมอดีตล่วงไปแล้วคืออะไรคือผู้ลูกที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือผู้ลูกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือผู้ลูกที่กําลังเป็นอยู่ก็เป็นเตศักว่ารู้ ถ้ามีผู้เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นวัตฏะวนกันดูธรรมะชั้นสูงผู้หวังผลทุกข์ในวัฏะสงสารต้องพิจารณาอย่างนั้นถ้าผู้ประเทวดาพอเป็นพิธีพิธีพอเป็นนิสัยก็ไปอีกอย่างผู้หวงผลทุกข์ในปัจจุบันในชาติปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาในฝ่ายทางข้าหูห สงเคราะห์ลงมาเป็นเอกานิบาตเอกานิบาแตแปลว่าว่าเป็นหนึ่งเอกานิบาตสามารถนับเม็ดหินเม็ดทรายในท่ามาหาสมุทรได้เม็ดหินเม็ดทรายจะนับยังไงกน็นับเข้าเอกภพเทวีธาตุนับเม็ดแดดเม็ดฝนเม็ดลมจะนับยังไงเอกวายโยธาต เอกเตโชธาติเอกะปัทวีทาติภาษารีบุตรต้องนับอย่างนั้นถ้าหนึ่งสองสามใครจะเป็นกรรมการนั่งฟังผู้เป็นกรรมการก็บ้าผู้นับก็บ้าเพราะต้องนับเป็นฝ่ายสังฆะในสังฆโหแปลว่าสงเคราะห์ แปดหมื่นศรลเขามขันสงเคราะห์ลงมาในหนึ่งในปัจจุบันศีลตัวเดียวสมาธิตัวเดียวปัญญาตัวเดียวกลมกลืนกันในปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนันจะโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นก็ไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาผู้ไม่เชื่อธรรมะในปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาเทศก็ไม่หายความสงสัยดอก ถ้าศีลก็อยู่ที่หนึ่งสมาธิก็อยู่ที่หนึ่งปัญญาก็อยู่ที่หนึ่งโพธชงเจตก็อยู่ที่หนึ่งมัคไมอองแปดก็อยู่ที่หนึ่งทุกสมุทยัยในโลกมักก็อยู่คนละหัละแห่งเออมันรักษายากหายากอยู่คนละมุมโลกเป็นตัวเดียวกันเลยเมื่อพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่สมุทัยความทะเยอทะยานก็บรรเทาลงตัณหาก็บรรเทาลง มักปล่อเจริญขึ้นในตัวนิโรธก็ทําให้แก้งขึ้นไปในตัวไม่ใช่ว่าปฏิบัติทุ ก, กทแล้วก็ปฏิบัติสมุทัยแล้วก็ปฏิบัตินิโรธแล้วก็ปฏิมักบัติมักหรือมักอันนั้นมันเรียงแบบนะฉันทาวิริยะกิตะิวิมังสาความงาั้นกันฉันทะพอใจรับค่ในปัจจุบันนกจิตปัจจุบันธรรม วิทยะเพียรมันประกอบในปัจจุบันนิจิตปัจจุบันนธรรมกิตตะเอาใจฝากไปในปัจจุบันนจิตปัจจุบันธรรมวิมังสามันตีตองเหตุผลในปัจจุบันนิจิตปัจจุบันธรรมในกรรมฐานที่ตั้งไว้กรรมฐานในพุทธศาสนาก็มีสองกรรมฐานเท่านั้นเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็เป็นรูปกรรมฐาน เพ้งอรูปกเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมุปกามธานรูปและอารูุปก็อยู่ใต้อำนาจอ น, นิจจังเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายไปเสียแล้วนั่นเห็นทุกขณะ จ, จิตเดียวก็เห็นรอบโลกเห็นรอบสังขารเห็นอ น, นิจจังขณะ จ, จิตเดียวก็เห็นรอบโลกเห็นรอบสังขารทั้งไกลทั้งใกล้หรืออะไรต่ออะไรจีวรธาสารพัดก็ตามเถือ ทีมีวิ ญ, ญญาณแล้วไม่มีวิญญาณก็ตามเถิดเรียกว่าปฏิบัติรวมรวมเราอิปัสสนาหรือจะขยายออกก็ตา ม, มา <Weber. S 2> ก็ไม่สงสัยในเรื่องขยายหรือจะย่นมาก็ไม่สงสัยในเรื่องย่นนานาสังขารก็ย่นลงมาถึงเอกะสังขารในปัจจุบันนานาทุกขก็ย่นลงมาถึงเอกทุก์ในปัจจุบันน า, นานาอนิจจังก็ย่นลงมาถึงเอกะอนิจจังในปัจจุบัน นานาสมมุติก็ย่นลงมาถึงเอกะสมมุติในปัจจุบันนั่นผู้จะชิ้นความสงสัยตอนไห น, ไหนก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันทางนั้นไม่ใช่จิตอดีตทำอดีตไม่ใช่จิตอนาคตทำอนาคตเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงเน้นลงว่าอผู้ใดเห็นทำในปัจจุบันผู้นั่นชื่อว่าแม่งอนงานคอนแคลนในพระพุทธศาสนานี้ปัจจุปัญนญนจะอยู่ธรรมะ อดีตมันมีแต่บัญชีมันล่วงไปแล้วอนาคตก็มีแต่บัญชียังไม่มาถึงดีก็ดีไปแล้วชั่วก็ชัวช่วไปแล้วอดีตอนาคตก็เหมือนกันไม่ดีไม่ชัว่วก็ไม่ดีไม่ชั่วไปแล้วอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มาเป็นสงครามกันอัตราอนัตตาไม่มาเป็นสงครามกันแต่ผู้หลงไปเป็นสงครามตนเองต่างหากสมมติก็จึงตามสมมติไม่มาเป็นสงครามกับวิมุต วิมุตต์ก็จริงตามวิมุตต์ไม่มาเป็นสงครามกับสมุดดินก็จริงตามดินไม่มาเป็นสงครามกับน้ำกับไฟกับลมแต่ความหลงของเราไปยึดไปถือเอาเป็นเจ้าของสารพัดวัดเวียงมันเรื่องมันก็มากขึ้นปัญหามันก็มากจาโคเปเจนิศสักโขสงคืนส ม, มุดก็ส่งคืนให้ส ม, มุตวิมุตต์ก็สงคืนให้วิมุตต์บัญญัติก็สงคืนให้บัญญัติ ให้เป็นจริงตามบัญญัติสมมุติก็ส่งคืนให้สมสมุติตามเป็นจริงสมสมุติทําไมถึงสมมุติมากแค่เพราะมันไม่พอที่จะใช้กันจึงสมมุติขึ้นมากทีวทีเทวอะไรทุกวันนี่จะหลวดจะเดือดอะไรลูกระเบิดปรามาณูปรามาณนีอะไรสารพัดจะบัญญัติกันขึ้นเพราะเหตุนใดเพราะมันไม่พอใช้เพราะกิเลียดมากโล ก, ก น, นี้บัญญัติขึ้นมากอหาเงินไปซื้อก็ไม่หวาดไม่ไหวเพราะบัญญัติขึ้นมาก วิ่งกันตามจนหัวแตกสิ่งที่สมมุติขึ้นที่มีวิ ญ, ญญาณแล้วไม่มีวิ ญ, ญญาณ <c oughs> ก็อยู่ใต้อํานาจอนิจังแท้ๆ เ, เกิดขึ้นแล้กวก็แตกสลายหลักของมันอยู่นั่น <c oughs> ตรวจกองปราบอยู่ที่นั่นไม่ลงธรรานเลยจําพวกนี้จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมีหน้าที่จะพิจารณาตามเป็นจริงมีหน้าที่จะรุดพ้นตามเป็นจริงสิ้นความสงสัยตามเป็นจริงเท่านั้น เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นสอนให้ทํามาหาเกิงชีวิตในทางที่ชอบเพื่อจะปฏิบัติธรรมง่ายเมื่อทํามาหาเกิงชีวิตในทางที่ชอบแลว้วการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นล่าเป็นสันคก็จะไปสะดวกถึงจะเดินข้าก็จะไปสะดวกถึงจะเดินเร็วก็ไปสะดวกไม่ไปลีกยนทางจึงจัดสมาอาชีวะไว้เป็นเบื้องต้น สมาธิถิ่นเป็นเบื้องต้นถ้าเห็นชอบแล้วสิ่งอื่นๆก็พลอยเป็นไปตามกันสมาสังก็โปวายกากรรมโตอาชีโววายามูสติสมาธิ <c oughs> ก็อยู่ในอุ้งมืออันที่เห็นชอบนั้นเพราะเป็นเพราะมีปัญญาเป็นหัวหน้าทําแต่ละหมวดละหมวดก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าขาดปัญญาไม่ได้ชินสมาที่ปัญญาต้องสมดุลกันในปฏิวัติ จึงเป็นมัคคสา ม, มัคคีไม่ต้องแยกกันไม่ต้องแยกกันคล้ายๆกับเราเห็นหน้าก็เห็นตากันเห็นจมูกกันเพราะอยู่แห่งเดียวกันเราจับหนังก็ถูกเนื้อถูกกระดูกเหมือนกันเราจะโง่ไปว่าเราจับถูกแต่หนังมันก็ไม่ถูกถูกทั้งเนื้อทั้งกระดูกเหมือนกันอันเดียวกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่สิ้นความสงสัยคำสอนแต่และบทละบาทส่งต่อพระนิพพานหมด นับแต่นโมขึ้นไปคําสอนแต่ระบบระบาดมาจากคำภีปุพพังขมาธรรมามาจากกิจจากใจท้งนั้นดีก็มาจากใจชั่วเข้ามาจากใจทีขวักก็พูดยาวจินละวักก็พูดสั้นมหาวักก็พูดหลายวักหลายตอนก็ออกไปจากใจทั้งนั้นย่นก็ย่นลงมาถึงใจ ย่นถึงมามาถึงกิตตะสังขารท้ย <c oughs> ใจเป็นนายทุนพาให้หลงก่ใจปฏิบัติก็ใจบวกลบคูณหารก่ใจกิตตะสังขารจะย่นลงมาเขาย่นลงมาหายใจพระหัววัจนะก็ออกไปจากเอกะวัจนะทรัพั์นาม สัพพนามสันพนามก็ย่นไปออกไปจากเอตนามย่นลงมาก็มาหาเอกับเหมือนกันนามังแปลว่าชื่อมัน <c oughs> ชิงเหล้วนี้อยู่ใต้อำนาจอา น, นิจังเกิดขึ้นเนี่ยกแฟ ป, ปว่วนได้แตกสลายทั้งนั้นท่นมารโนโสปะควาพระบรมศาสดามีชีทรงพระชนมายุค <c oughs> อยู่เทศอานิจังทุกครั้งอนัตตามากกว่าเพื่อน พะเป็นนิยาณิกระทานำสัตว์ทั้งหลายให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารถ้ามันอื่นไม่ด่า ด, ดื่นทมเถเป็นจินตะกวีก็ตามถ้าไม่สลดใจสังเวทในวัฏสงสารแล้วก็เท่าพาสิทธิ์เดียวไม่ได้ขณะจิตใจยินดีในโลกสงสารล้านขณะจิต ก็ไม่เท่าขณะคิดใจที่นึกเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารขณะจิตเดียวเจตนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติโภมสมบัติล้านล้านขณะเจตนาล้านล้านขณะจิตล้านล้านขณะอธิษฐานล้านล้านขณะความหวัง ก็ไม่เท่าเจตนาเพื่อคนทุกในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันนิจปัจจุบันธรรมเลผู้พืที่จะลงเอ่ยถึงขนาดนั้นก็เป็นผู้มีปัญญาเห็นวัฏสงสารเหมือนหลุมฐานเพลิงดึงจะลงเอ่ยได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็ปัญหาเจ้าของก็ผูกเจ้าของปัจจุบัพนิพูรละบวกคูณทวีถ้าเห็นภายในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ ก็คือดับเพลินในวัตตะสงสารอย่างเต็มที่อยู่ในตัวนั่นเองเราจะไปะหาตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาที่ไหนอีกทีนี่นิมิตต่างๆสารพัดห้อยโหนโยนดาบเดินจงกรมในอากาศทะลุภูเขาภูแขวอะไรก็าตามเถิด อ, อยู่ถ้่อำนาจอนิจจังเท่านั้นแหละเกิดขึ้นเน้วก็แป็นปวนแลแต่กระาย ถ้าอย่างนั้นพระโมกขนาทําไมถึงไม่แสดงฤทธิ์อยู่จนถึงขนาดนี้เข้าสู่พระนิพพานทําไมถ้าฤทธิเดชเป็นของจีดังยั่งยืนปฏิหาริทธิปาฏิหาริยะฤทธิเป็นอาสิจันรอาเทศนาปาฏิหาริย์คำสอนเป็นอาสิจันรอนุสาสนีอาเถิดักไจเป็นอาสิจันรอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนเป็นอาสิจันร คำสอนเป็นอาธิการเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีปฏิหารอยู่ทุกๆท่านรับตาเข้าก็มีมืดเป็นปาฏิหารลืมตาออกก็เห็นเป็นปาฏิหารทำดีก็เห็นเป็นปฏิหารไปในทางดีทำชั่วก็เป็นปฏิหารไปทางชั่วใครเป็นเจ้าของปาฏิหารก็คือจิตใจที่ผู้รู้เป็นผู้รู้จักเพราะเป็นนายทุนอัจฉริอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจทำเป็นที่พึ่งของธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันตนเป็นที่พึ่งของตนก็มีความหมายอันเดียวกันที่พึ่งในพระพุทธศาสนาหมายถึงพระโสดาบันสกจาคามีอนาคามีอหรหันต์เหลือนอกนั่นเป็นที่พึ่งโกหกพกกลมเป็นโลกีมีเจตโทษลุน่น รุปฏิ ป, ปันโนในทางพระพุทธศาสานาหมายถึงพระโสดาบันเป็นต้นไปจึงเอาเป็นประมาณได้ต่ำกว่านั้นลงมาเป็นโลกีนะโมพระโสดาบันเป็นนะโมะโ่ทมส่สงเสริญหนาทางและไม่ลูกคร่ำหนาทางด้วยและไม่ถือตัวด้วยที่เรียกว่าสักยะทิฏฐิ มีผู้แนะนำไปทางดีพระสดาบันก็ยอมรับฟังไม่หากินทางคัดค้านหน้าเดียวเรียกว่าไม่ถือตนถือตัวเนีอยกว่ารักรักสักยะทิฏฐิไม่ถือตนถือตัวนักการไม่ถือตนถือตัวเด็กๆพูดถ้าเป็นธรรมะก็ยอมฟังยอมรับยอมพิจารณา เพราะอัจฉริมานะละไปแล้วเข้าโล ก, กุตละแล้วเห็นฝั่งพระนิพพานแล้วเห็นฝั่งความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วคือฝั่งพระนิพพานคือฝั่งความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะโลกเอาอันใดในไตโลกธาตุเนี่ยเพราะมีแต่ของเกิดขึ้นเแปรปวนให้แต่สลาย ยินดีในเกิดก็คือยินดีในแก่ก็คือยินดีในเก็บพวกคือยินดีในตายก็คือยินดีในลุ้มฐานเพลิงนั่นเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นคล้องแก่ไปได้มีความเก็บมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้มีความยโยสพัดภาคก็ไม่ล่วงพ้นไปได้แต่ว่าลดของเกิดแก่เก็บตาย มันเป็นธรรมดาทุกเสียแลว้วเรามีความเกิดเป็นธรรมดาทุกเรามีความเกเเป็นธรรมดาทุกเรามีความเก็บเป็นธรม ร, มมนธรมดาทุกเรามีความตายเป็นธรรมดาทุกขเพิ่มทุกขึ้นชาติปิทุกขาปิแปลว่าแม่เป็นทุกเป็นทุกมากริงใช้คำว่าแม่ใส่ไม่โทรเราไม่ไดเรียนดอกพูดบบวาบาบาไปตามภาษาคนตาบอดในป่า พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาเทศนาวิธีก็เทศให้พิจณาทุกทุกขังอริยสัจจังพิจาณาให้ยิ่งเถิดประเินเยยติมีพิกขเวพิจณาให้ยิ่งแต่เราตถาคตพิจณาให้ยิ่งแล้วและเราตถาคตก็ละความเข้าใจผิดไปเสียแล้วปหาตะบันตินะสัิติกาก็ทําให้แก้งแล้วสัิติกะ ทำให้แจ้งแล้วสัจกาทำให้แจ้งในคันธะสันดานเมื่อทําให้แจ้งในคันธะสันดานก็มีโอกาสจะข้ามทะเลหลงทีน่นี้ไม่ขบศคืนทีกนี่เลเของพระโสดาบันไม่ขบศคืนใครข้ายกับเขารอบเมืองไหนเขาก็ได้เมืองนั้นแล้วเขาไม่สามารถขบศคืน แล้วมาลบอีกด้วยเขายินยอมมาเป็นเมืองขึ้นด้วยเพราะเขาเห็นเป็นธรรมชั้นใดก็ดีมีเมืองขึ้นโดยสุภาพแล้วพระสวสดาบันว่าขึ้นจากโลกุตระขึ้นจากโลกีปัญหาโลกุตระสุปฏิปันโนจะเอาเป็นข้อมูลได้คาว่าสันติทิโกในทางพุทธศาสนาเมื่อในไม้ฟันเือหมายเอาถึงสันทิทิโกของพระโวสดาบันเห็นเอง ถ้าหมายเอาจำพวกโลกรีมันก็ฟั่นเฟือเกินไปเช่นพวกขโมยอย่างนี้เขาไปขโมยสิ่งของเขาก็เป็นสันทิษที่โกอยู่ออจะเอาอันนั้นมาเทียบมันก็ฟั่นเฟือเกินไปมันไม่มีที่สุดชิ้นอาการที่โกไม่มีการไม่มีเวลาก็จะอธิบายได้ทั้งโลกรีและโลกุตระของหยาบก็ไม่มีการไม่มีเวลา เรารับตาก็มืดไม่มีการไม่มีเวลาเราลืมตาก็เห็นไม่มีการไม่มีเวลาเหมือนกันงั่นเทียบใส่ของกับยาเนี่ยทาที่เป็นโลกุตระจิตที่เป็นโลกุตระก็มีขอบเขตพระอริยเจ้าพระอาหารหันตเรียนนโมจบ พ่อนอบนอบจนไม่มีกิเลสนอบนอบจนไม่มากเกิดแก่เก็บตายอีกเคารพทมอันไม่ตายพุทธังสระนงังคัจฉามิถึงไตสระณคมอันประเสริฐพระโสดาวันชั้นเป็นเบื้องต้นพระกษัตคาค า, า, ามีก็ถึงไปอีก แตสรานะคมของพระลรหันคมจนจนไม่มีโรคกรดหลงจบใตสนานะคมแล้วคมกริบเลยไม่มาโรคไม่มาโกดไม่มาหลงไม่มาท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายเองถ้าเราอยากจะ เ, เห็นพระโสดาบันเราก็ต้องเป็นพระโสดาบันเสียก่อนทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเกลือมันเผ็ดหรือเค็มยังไงเราก็ต้องกริป ด, ดูเสียก่อน ถ้าไปให้ชอ่อนยึดแทนมันก็ไม่รู้จักตัดวันยังค่ำมันก็ไม่รู้บางท่านทุ่มเถียงเกียงงอนกันพระโสดาบันอยู่ที่ไหนพระจักชาคามีอยู่ที่ไหนพระอนาคามีอยู่ที่ไหนพระละหันอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่มีโรคมีโกรธไม่หลวงพระละหันก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สงสัยเลยพุทธศาสานาะพระโสดาบันก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่มีกาลเวลาคะไม่มีโทสะ ถ้าอามาอาพระอนาคามีก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่มีการแช่งสัตว์ไม่มีการจองเวรอาฆาตจองเวรถูกใจเจ็บไม่มีเบียดเบียนสัตว์ไม่สงสัยในว่าพุทธศาสนาอบ า, ายามุขทุกประเภทไม่ล่วง ค่าขายเครื่องปหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็ น, นเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนำ้ำเมาค่าขายยาพิษไม่มีในที่ใดที่นั่นแหละคือพระโสดาบันที่ไหนไม่เล่นการพระนันเห็นโทษในอบายมุกอย่างเต็มที่ไม่สงสัยว่าจะเป็นมงคลเลยภูมิค้มพระโสดาบันต้องเป็นอย่างนั้นถ้ายังสงสัยว่าอบายมุกทุกประเภทจะเป็นมงคลจะพาให้ผรหนักให้เป็นเบาคนนั้นยังไม่ถึงพระโสดาบันดอกเป็นโสดันโสเดา หลวงคา์คณีนัทพมัาญางวงต้นของพระพุทธศาสนานักรมทีที่ปฏิบัติทั้งเล่มเป็นภูมิของพระโสดาบันหมดนับแต่แจตุ ก, กะคำมกักคิเลตไปจนถึงเกียดตขั้นทำงานงานมีโทษหก ภูมิขอระโสดาบันแล้วนะั่นบัณฑิตโตฆมาวาสังแล้วนะั่นบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนแล้วนะั่นบัณฑิตในทางมุพุทธศาสนามีสามารถจนถึงพระอนาคามีเหมือนกันแต่เขายอมเป็นโสตมีจนถึงพระรหันเหมือนกันแต่เขาไม่ยอมอยู่เกินไป จนถึงเ็ดวันเพราะเพศของฆร า, าวาสเป็นพเพศที่ต่ําชาไม่สามารถพระอรหันต์จะไปอยู่ได้ถ้าไม่บวชใช่แล้วถ้าบวชแล้วจึงจะอยู่หมดอายุไขของท่านพระธรรมมีอยู่ทุกการดอกบวัวสีเหลวก็มีอยู่ทุกการั้งพุทธการก็มีข้งนี้ก็มีดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมือน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิ มีอยู่ทุกระยะระยะระยะทุกอาการอะไรกมีอยู่ทุกการที่เ ท, ที่ว่าดอกบัวสี่เหล่าในขัง้งพุทธการขั้งนี้มันก็มีอยู่ดอกบัวกอเดียวกันนั่นเองกอเดียวเปรียบเหมือนคนในโลกแต่ละดอกเปรียบเหมือนแต่ละลายของบุคคลที่เราจะเป็นดอกบัวท่านไหนมันก็ขึ้นอยู่กับภาพพจน์ของเราที่จะดูเราเอง คนอื่นดูให้ไม่ได้บางทีให้คะแนนเกินบางที่ให้ไม่พอไม่เป็นอิสระไม่เป็นสันทิษทิโกอัญญัตตุเทศถ้าเราไม่ยอมถือศาสดาอื่นหัวขาดคาเลยพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาออกกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมือ่อเลือดทุกหยดจะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมือ่อ จะตายกี่ล้านล้านชาติก็าตามจะถึงพระพูดผรรทำพระสง์อยู่ทุกเมือ่อผู้ใดลงใจถึงอย่างนั้นแล้วก็คือสุปฏิปันโนการเลื่อมใสเป็นอาจารและศรัทธาไม่บอกเวศชารินาอื่นๆเขาภาวนาไปจนถึงอาจินจัญญายตนะเนีว่าสัญญาญานาสัญญายตนะ เราตายคานั่นแปดหมื่นสี่พันกับเขายัางมาท่องเที่ยวในวัดตชาชงสาลอีกเพราะเหตุใดเพราะเหตุเขามายอมถึง พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันไปขัดต่ออัญญชัตตุเทศถือศาสดาอื่นฉะจาวิฐานานี้อภพอโภกาตุงอิดำปีสังเคระตะัตนางปณีตังเอเจนะสตีนสุ ว, วติโหตุพระสูตรอันนี้เป็นพระสูตรของพระโสดาบันโดยตรงๆพระโสดาบันไม่ยอมถือศาสตราอื่น เขาอวดดีต่อพระพุทธศาสนาอยู่พวกนั้นเขาจะภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็าตามเขาก็ไม่สามารถถึงโลกุตระมหาปริญญานิพานสูตรอย่าลืมพระบรมศาสดาเทศชัดแล้วสุพัททะเข้าประกาศทูลพระบรมศ า, ธธาสดาศาสนาอื่นถ้าเขาไม่ประมาทในยัญญะวิธีของเขาเขา จะเป็นพระสวัสดิ awan ชักคาถามีอนาคามีบ้างหรือไม่พระเจ้าข้ายาเลยยาเลยยาเลยยาลยยาเลยเราสถาคต้องไม่ไปพูดเข้าข้างตัวพูดตามธรรมะสถาคต้องมีฉันทาคติโทสากติโมหะคติพยาคติเลยพูดตามธรรมของธรรมะศาสนะอื่นๆไม่ด่าดื่นทงเถไม่ต้องอวดดีดอไม่มีพระสวัสดิ a ัน n ไม่มีสักทาคามีไม่มีพระอนาคามีไม่มีพระรหัน์ มีแต่าศาสนาพุทธสิ่งเดียวเท่านี้เธ อ, อย่าไปสงสัยตือต้นภาษาศาสนาของเขานะ่ะเขาก็เป็นพุทุชนคนหนาเราดีๆนี่เองคำสอนของเขาหนักไปในทางวัตถุนิยมทางที่จะให้เป็นเบื่อหน่ายคลายเมลในวัฏฏะสงสารไม่มีเสียแล้วทน้นเขาจะเอามารดกนิพพานมาจากประตูไหนล่ะนะ่เธออย่าไปสงสัยไม่มีในที่นี่ทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วย ทั้งปัจจุบันด้วยก็สรุปได้ว่าท่านผู้ใดอวดดีต่อพระพุทธาศาสนาท่านผู้นั้นก็อวดดีต่อฟ้าจะเบียดเบียนพระพุทธาศาสนาในทางตรงในทางอ้อมก็ตามก็ค้ายก็ว่ากองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าค่ายกับกาและนอกอยูง เอาขนงอนและขนหางของนกยูงที่ร่วงหล่นอยู่ตามป่ามาแทรกแซงขนของตนฉะ น, นั้นกะีศาสนาอื่นๆไม่ได้ดื่นทศถทจะเอาศาสนาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเป็นสัตว์ไปเป็นคำสอนของตนก็ตามไม่เป็นปัญหาดาอกพระพุทธทางศาสนาคาฉามิเขาไม่มีเพราะเขาไม่ยอมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขายังมาเขายังมีทิติมานะักอยู่ เยเกจิพุทธังธนังขจาไม่มีขะโตไม่มีขาตาไม่มีไม่ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเขาถือรัฐที่อื่นเรียวกว่าอัญญสัตตุเทศถือศาถสดาอื่นชะจารพิษานานิอภพโกาตุงเราไปอ่านในหนังสือของปุ้ยแสงสายอนงคารามเขาบอกว่าเขาอธิบายว่าชะจารพิษานานินี่ข้าพระเจ้าไม่สามารถว่าจะเป็นอะไร ยังอธิบายไม่ได้ก็คือภูมิพรปสดาบันไม่ยอมถือศาสดาอื่นพระจ่าพิธานาินี์นะอภิษฐานโทษอย่างหนัก6กมาทุกข้าค่ามันดาพิทุกข้าค่ามิดานะคัตทข้าค่าพระรหันโลหิตตุบาต ท, ทําลายพระพุทธเจ้าทั้งย่างเปโลงเหยียด ห, ห่อช้างกระเพดายังสองกระแตแกจากกันอัญญชัดตุเทศไม่ยอมถือศาสดาอื่นนั่นภูมิโสดาบันอนอันตริยกรรมหก ไม่ใช่อานันตาริยกรรมหา้าแต่สังฆเภทน่งคนไม่ค่อยรู้จักกันมหานิกายก็ทําสังฆเพศธรรมยุทธไม่ได้ธรรมยุทธก็ทําสังฆเพศมหานิกายไม่ได้อุบาสกอุบาสิ ก, กานางพิกษุนีนางสิกขามานานางสมณีก็ทําไม่ได้เฉพาะภิกษุผู้อยู่ในสมานชังวัดกันเท่านั้นทําสังฆเภศได้เมื่อทำไม่ได้ก็เป็นเพียงสังฆราชีเท่านั้นถ้าพยายามทําคนไม่เข้าใจเรื่องสังฆเพศ บางท่านกล่าวว่ากล่าวตูว่าพวกธรรมยุทธเป็นธนภศธรรมยุทธมันก็แตะออกมาจากมหานิกายมหานิกายดีทำไมไม่รักษาหมูตนไว้นั่นอันนี้มันเป็นเรื่องแต่ต่ำยกไว้ยเสกอดอันนี้ไม่ควรเอามาปนเป เรื่องชีมูลาชีมูลาขี้มาแหงดอกอันนี้เรื่องนอกๆดอกพากันเล่นเลขเล่นผาทั่วทั้งไต้โลกระทัดมันก็หาพระศดาวันยากพากันเล่น ร้อยปีก็ตามหมื่นปีก็ตามหมื่นภาษาก็ตามจะอดอาหารจนขุมผมขุ่มขนหล่นก็ตามถ้ายินดีในอบายยมุกอยู่แล้วก็ไม่ใช่พมจันทร์เบื้องต้นนั่นทีนี้ใครจะยินดีหรือไม่ยินดีก็ต้องตรวจ ด, ดูตนเองีจะให้คะแนนกันมันก็ไม่ได้ทีนี้หนักหรือไม่หนักทีนี้ นักไหมฮะ ต, ต้องเลิแขงได้ดีล แ, ดดแล้ครับ น, นั่นนักไหมลูกนี่แหะลูกระเบิดปรมาโูทางพระพุทธศาสนาลูกปเมลูกระเบิดปรมาโูทางพระพุทธศาสนาอะไรเรียกว่ายาโอสถทางพระพุทธศาสนาเนี่ทําความสงสัยของมนุษย์ให้แก้งไปเรียกว่ายาโอสด โอสถังวัชมังวังลดธรรมชนะรถทั้งปวงยินดีในธรรมชนะชนะความยินดีทั้งปวงยินดีในโลกุตละชนะความยินดีทั้งปวงในโลกีโลกีโลกาพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาก็คําสอนอันเก่าบางท่านเอ่ยขึ้นว่า กรรมฐานนี่เราจะยุบมันเชียก่อนอืมันปฏิบัติปกครองญาตเออเราดีวิเศษยังไงเราจะไปยุบกรรมฐานได้กรรมฐานมันก็มีอยู่กับญาติโยมมันกันเกสาโลมานะขาทันตาตะโจแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้นแต่ว่าจะปฏิบัติเอาหรือไม่ปฏิบัติเอามันเป็นเรื่องเลยทีนี้เพิมเกิดเก่เจ็บตายเป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างทั้งนั้นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างทั้งนั้นสังขารทั้งฟวงเป็นกรรมฐานหมดทีนี้ เออรูปก็เป็นกรรมฐานหมดนี่เรียกว่ารู ป, ประกรรมฐานน้ำก็เป็นกรรมฐานหมดนี่เราไปยุบกรรมฐานเราจะยุบยังไงพระพุทธเจ้าก็ยุบไม่ได้เอถ้ายุบกรรมฐานแล้วจะไปบวชยังไง เ, เกสาจะไม่บอกดอกหรือโรมานัขาธันตาตะโจรนั่นจะไม่บอกดอกหรืออก็หลับตาพูดผู้ที่พูดอย่างนั้นใครจะไปยุบกรรมฐานได้เพระมหานิกายก็บวชกรรมฐาน เออธรรมยุทก็บวฏกรรมฐานทางนั้นใครๆก็บวฏกรรมฐานทั้งหมดนั่นแหละเกซาโลมานะขาทันตาดันตาตะโจตะโจดันตาเนะขาโลมานี่เนกรรมฐานทางพิจารณาโดยย่อพอเหมาะกับการบวช ด, ดึงเรียนต่อไปอีกก็บวฏกรรมฐานทางนั้นที่จะปฏิบัติเอาหรือไม่ปฏิบัติเอามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี่ใครๆก็บวฏทางฝ่ายกรรมฐานทางนั้น ไม่ยอมไม่บวชก็เป็นกรรมฐานเนเกษาโรมานะขาทันตาของโยมก็มีอยู่นั่นเกีเก็บตายของพวกญาโยมก็มีอยู่ก็เป็นกรรมฐานหมดทั้งใจโลกระท่าเนี่ยแต่ว่าจะปฏิบัติเอาหรือไม่เท่านั้นจงเข้าใจในเรื่องกรรมฐานฐานแปลว่าที่ตั้งอยู่กรรมะแปลว่ากิริยาที่ทำเรื่อกายและวาจาใจเรื่อกรรมฐาน ถ้าไปในทางบาปก็เป็นกรรมฐานไปนทางบาปถ้าไปในทางบุญก็เป็นกรรมฐานในทางบุญบาปและบุญเป็นกรรมฐานทั้งนั้นละ่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คือกรรมฐานตั้งฐานไว้ในทางดีก็ทำดีมันเป็นโลกทิพย์หมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโลกทิพย์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เป็นโลกทิพย์แต่พระนิพพานเมืม่อในบัญญัติว่าทิพย์มันกายทิพย์ไปแล้วไม่สมฐานะ ฉันเราใหญ่โตอย่างนี้ไม่สมฐานะที่จะว่าคุณหนูเป็นหลวงพ่อหลวงตาเลยจะไปเรียกคุณหนูมันก็ไม่ได้มันไม่สมฐานะจะไปเรียกว่าพระนั่นพระนี่ก็ไม่ถูกก็ต้องบอกว่าหลวงหูหลวงตาหลวงพ่อไปตามฐานะสมมติเขาหลวงหูอยู่ที่ไหนก็หลวงตาอยู่ที่นั่นแ่ะก็หลวงพ่ออยู่ที่นั่นแหละถ้าไม่เรียกว่าหลวงตาก็เรียกว่าหลวงหูก็ได้ ล้วงจมูกก็ได้ล้วงปากก็ได้ทีนี้ใครสงสัยอะไรบ้างจงภาวนาฝ่ายสังฆโหใครต้องการพ้นทุกข์ในวัฏรสงสารจงเจริญอานาปาณสติถืออาณาปาณสติเป็นยอดของกรรมฐานในทางพุทธศาสนา ดึงกรรมฐา น, นอื่นๆมาอยู่ในอน า, านาปานสติได้ทางนั้นเพราะเป็นแม่เหล็กดีถ้าคๆายก็ว่าทิศเหนือสามารถดึงดูดเข็มทิศให้ขี้ไปในทางตนเองได้ถ้าค่ายก็ว่าหน้าห้วยน้องของบึงบางาต่างๆในมหาสมุทรทะเลย่อมไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลชั้นใดกรรมฐา น, นอื่นก็ไหลลงสู่อานาปานสติทางนั้นยกอุทาหร์ เราหายใจเข้าข้างหนึ่งมีทั้งเกิดแก่แกบตายมีทั้งเปลือยเนา่ามีทั้งอนิจจังตุขังข อ, งอนัตตามีทั้งแปดหมื่นสี่พระธรรมมาขันเราหายใจออกก็เหมือนกันนั่นที่กรรมฐานแต่กรรมฐานไม่ได้ลงธรรมะนะเช่นความเปลือยความเนา่าในแต่คนร่างกายของเราก็ไม่ลงธรรมะเทศย์ยังไม่มีกลางวันกลางคืน ไม่ลงธรรมะเลยความแก่ก็แก่ยังไม่มีกลาวันกลางคืนก็ไม่ลงธรรมะความเก็บก็เก็บยังไม่มีกลางวันกลางคืนในส่วนกายยึดทุกทุกทางกายหายใจเข้าออกก็บรรเทาความเก็บนั่นเองที่ประจรเดินก็บรรเทาความเก็บนั่นเองพอมาทางมาทางไปกวอนตายจากข้าวสายบ่ายเที่ยงที่นี้ก็ไม่ก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ความเกิดขึ้นแหนะแปลปวนแหนะแตกสลายก็จริงยังไม่มีกัางวันกลางคืนนักเทศไม่ได้อดที่นักเทศเทศ Device อยู่ไม่มีกลางวันกลางคลลลืนเช่นนี้ไม่ลงทํามานทำฝ่ายโลกุตระก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกัางวันกลางคืนไม่ลบเลือนไปทางไหนทำฝ่ายโลกีก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลบเลือนไปทางไหนเหตุฉะนั้นจึงว่าการเทศเทศอยู่ แปดหมื่นทีพระธรรมขันธ์เทศอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีการไม่มีเวลาไม่จบกระเทียนไม่มีวันทิศวันเสาร์อีกด้วยไม่ได้มีเอวังอีกด้วยเป็นจริงอยู่พระทวีธาตุา ด, ดินก็จำเป็นจริงตามธาตุดินอยู่อาอาโปเตโชวาโยโอก็เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับผู้พิจารณา ปัจจุบันมีครบหมเดี๋ยวนี้ดินมีไหมในปัจจุบันมีน้ำมีไหมในปัจจุบันมีไฟมีไหมในปัจจุบันมีธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีอยู่ทั้งภายนอกและภายในไกลและใกล้หยาบและละเอียดกปนีมีอยู่เราทําความเข้าใจให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลุดพ้นตามความสงสัยของตนตามเป็นจริงเท่านั้นเน่ยไม่จําเป็นจะให้สิ่งอื่นมาลดพ้นเราลุดพ้นความสงสัยของเราต่างหาก ุดพ้นปัญหาของเราต่างหาข้ามทะเลหลงของเราต่างหาพิจารณาอเนจังอยู่อวิชชาตัญหาอุปทานก็เบาลงกลายเป็นวิชาจาระสัมปันโนพุทธะสี่จำพวกสมาสัมพุทธะจำพวกหนึ่งพระเจกาพุทธะจำพวกหนึ่งสาวิกาพุทธะจำพวกหนึ่ง สาวพุทธะจำพวกหนึ่งเรียกว่าพุทธะสีจ่จำพวกไม่ว่าแต่เท่านั้นในไตโรคธาตุเป็นสมบัติของพุทธะสีจ่จำพวกสังหานี่มาทรัพย์ก็ดีอสังหานี่มาทรัพย์ก็ดีเป็นสมบัติของพุทธะสีจ่จำพวกเองเพราะเหตุใดเพราะท่านเรานันคลายแล้วเบือเ่อแล้วคลายออกแล้วไม่ในว่าเป็นข้แย่อกระพวกเราท่านคลายแล้วทําไมถึงว่าของท่าน เปรียบเหมือนอุจจาระของพวกเราที่ไปถ่ายพวกเราไม่ใช่ได้จะเอามาใส่ถวาวรหนักอีกเลยหรือในท่องอีกเลยแต่หมูหนอนและมะแรงวันมันไปแย่งกันมันถือว่าเป็นของทริปพวกเราถ่ายออกแล้วก็เรียกว่ากองมูดคู่ของมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ไม่ใช่ได้อยากเอาคืนมาอีกแต่มะแรงวันมันก็ถือว่าเป็นของดีของมันชั้นใดก็ดีในไตโลกทาต ซับสินคานบริวารเป็นซับของพระพุทธศาสนาหมดของพระอริยเจ้อาอรหันตหมดเพราะท่านละไปแล้วเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดจ้ามเขาจะถือาศาสนาพุทธหรือไม่ถือถื อ, ถอาศาสนาพุทธก็ดจ้ามความจริงเป็นอย่างนั้นเพราท่านเหล่านั้นคลายแล้วจาโขปฏิณิสโคแล้วมุตติอนารโยไม่อะไรแล้ว ทรัพย์ในใจโลกธาตุเป็นทรัพย์ของท่านหมดแต่พวกเราก็เปรียบเหมือนนอนมาแย่งกันอยู่นี่ข้าฟันกันอยู่ทุกหนทุกแห่งนี่ <c oughs> นี่รอบเข้ามาแล้วนี่ก็แย่งขี้พระอรหันนั่นละแย่งทำลายพระอรหันแย่งดินแย่งน้ำแย่งไฟแย่งลมเพราะมันพอกินพอใช้คํา <c oughs> สอนของพระพุทธศาสนานทางเป็นทางลมเย็น ช้อนให้สบายกหาย้กหม้ายก้หมูก้นผักดพุกกดพ่งการตั้งขึ้นไม่มองดูพระพุทธศาสนาเราไปไม่รอดนักทิพย์ไม่ลุกพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาบัญญัติทำอันเก่าเอสสะธโมฉนันต์นูได้ทําสมัยใหม่มาจากไหนก็ทําอันเก่านั่นเองพุทธเจ้ามามากกว่าร้อยโกดอเนกสะตะโกตะโยมากกว่าร้อยโกดก็มีคําสอนอันเดียวกันไม่ใช่อันอื่น ไม่ได้น่างพหลลบรเลยนางท่านพูดว่าเดี๋ยวนี้มันไม่แค่ขั้งพุทธการจะไปทําเหมือนขั้งพุทธการไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพระวินัยก็บัญญัติใหม่ซะเราก็ว่าอย่างนั้นแหละมันมันยัดตามชาวโลกซะว่าอย่างนั้นก็รือถอนซะไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้น ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ในอปริหารธรรมมีอยู่เราจะบัญญัติขึ้นที่นี่บางท่านมาถามมาถามลวงอาตมาท่านจะไม่สังขายนายดอกหรือหลวงปู่เห็นยังไงเออจะสังขายนายไปจินตุระอะไรเพราะพระใจพี่ดกมันครบแล้ว เรื่องทำผิดมันก็แต่ละพักแต่ละพวกแต่ละบุคคลพระไตรปิฎกมันครบแล้วในพระไตรปิฎกทางหนังสือก็อนพระไตรปิฎกในทางพลธรรมกายวายกายมันก็ครบแล้วมันเป็นว่าไม่เสียเจดตผิดมนุษย์ก็เรียกว่าพระไตรปิฎกในทางพลมัติครบแล้วไตไปว่าสามในทางหนังสือก็ครบแล้ว ชือเรื่องทำํำผิดมันก็เป็นแต่เรื่องแต่และบุคคลผู้ชอบปีนเกียวมัน ก, ก็ไปีนผู้มีกิเลสมากก็ปีนเกียวมากผู้มีกิเลสน้อยก็ปีนน้อยอมันเป็นอย่างนั้น่ะ <c oughs> แล้วจะไปสังขายนายพระไตรปิฎกอะไรอีกทีนี้ <c oughs> พระไตรปิฎกครบแล้วปุ้ยแสงสายเขาก็ขายเงินต่งางหลายล้านกรมการศาสนาเน่ <c oughs> ออธารพัดขายกันอยู่ในใจโลกทาตเนี่ย <c oughs> อื ถ้าคําสอนของพระพุทธศาสนาบกพรองมันก็พอจะสังขายาในสังขายาในที่ไหนใครก็ใครก็ยืนยันว่าใครทําถูกที่นี้มันก็เกิดสงครามมันขึ้นอีกแล้วถ้าสังขายาในให้มีคนนั่นแพ้คนนี้ชนะมันก็มอบให้กรรมและผลของกรรมเป็นผู้สังขายายนเท่านั้นท่านสังขายายดีกรรมและผลของกรรมไม่เป็นคอร์รัปชันกับใครหรอก กรรมวินาทิ ต, ติโลโกก็ดีกรรมโ ต, ตโลโ ก, ก้ก็ดีก็อันนั้นะกรรมและผลข้อมกรรมเลยเป็นเครื่องสังขารยายนเราไปจับไฟก็ให้ลถของไฟนั้นสังขารยายนให้เราออกเรารับตาก็ให้มืดสังขารยายนเออกแล้วลืมก็ให้ความสว่างสังขานยา ย, ย้วออกนะอันนี้เป็นของจริงแค่เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาร คำสอนในอธิกรรมภาวนาลมให้แกเข้าออกอพูดกับหมู่กับเพื่อนกับญาตกับโยมกับลูกๆห ล, ลานมันพูดมากถ้าภาวนามันไม่ไดเอามากนะตั้งลมให้แกเข้าออกแล้วก็เอาเลยอหลังก็หวลงเลยคําว่าโวหารก็คือ ก็คือหานลงในปัจจุบันโหวหารกับโหวหอนว่าอนไรเอากัน่ะยิ่งหอนไปก็ยิ่งมากถ <c oughs> ้าค่ายกับสุนัขอะมันหอนมากมันยังข่ํา่ำเดือนแปดเดือนเก้านะท่านบอกให้หานลงโวหวาหันโลโปให้ลดลงลงในปัจจุบันคําพูดมากมันก็ออกไปจากหนึ่งออกไปเอกวราชวอเอกราชชนะ ย่นลงมาก็าย่นลงมาหาหนึ่งแล้วไม่ต้องสงสัยความเกิดไม่ต้องสงสัยความแก่ไม่ต้องสงสัยความเก็บไม่ต้องความสงสัยความตายถ้าไม่สงสัยชาติก่อนท่านเป็นอะไรมาข้ามชาติมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นจะไปสืบหาทําทอะไรเป็นบ้าหรอกหรือด่าํา ผู้ปฏิบัติแสวงสุขวยิบัสโกก็ตอบไปแบบนี้ธรรมชาติน้าก็เป็นอะไรก็กทุกข์ะนั้นธรรมชาติพวกปฏิบัติแบบไปทารัทก็ต้องตอบอย่างนั้นแต่ว่าเขาตอบผิดก็ไม่ถูกหวนเอกในพระพุทธศาสนาทายไว้ถูกทุกเมื่อ อวัยวะยุคทุกประเภทไปทางคิบหายเป็นหันเอกใครจะมามีสารอุทธรดีกาในโลกให้มันจเจริญมันก็ไม่จเจริญออในไตโลกธาตุเนี่ยไม่มีใครจะอยู่เหนือธรรมไปได้ดอกสำคัญว่าตนอยู่เหนือธรรมก็ต้องแต่ทำหาเป็นไปไม่อยู่ใต้อำนาจกรรมแลนผลของกรรมเท่านั้นละเว้นพระรหลังสี เหตุกรรมเหตุพืชกรรมผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็สุพาะกันเขาได้ไปในทางดีทางชั่วเขาเช่นกันเมื่อสร้างเหตุตรงแล้วผลของเหตุไม่ต้องการประสงค์ก็ได้รับในทางดีก็เหมือนกันทางชั่วก็เหมือนกันคนไม่เชื่อเหตุเชื่อผลมันก็เป็นโลคีคนเชื่อเหตุเชื่อผลถ้ามันยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุกสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งถูก อัชชะนิยตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักความสุขผลผลห่งเหตุอันนี้ทุกผลผลหน่งเหตุอันนี้ทำอันนี้เป็นธรรมของพระโสดาบันไม่ใช่ธรรมของมุตุชนคนหนางสัพุริสะธรรมเป็นธรรมของประโสดาบันพระโสดาบันต้องเรื่องเหตุธรรมเพราะกลัวเพราะกลัวจะเจอกล้างกินไม่เลือกก็เจอกล้าง บางท่านพูดว่ามูพาเป็นมูพาเป็นมูโลกเขาพาเป็นเมื่อแรงวันมันก็บอกว่าโลกเขาพาเป็นมันก็เป็นไปตามเขาเมื่อแรงพึ่งแรงพึ่งมันก็ว่าโลกเขาพาเป็นมันก็เป็นไปตามเขามันคนละเรื่องของใครของมันปวกมันก็ว่าโลกเขาพาเป็นสังคมนิยมของเขาไประชาธิปไตยของเขาธรามาาธิปไตยของเขาต่างก็อ้างกันได้หมด ประชาธิปไตยของมัสยิดดาวันธรรมาธิปไตยของมัสยิดดาวันชักะทาคามีอาณาคามีอรหันต์เป็นประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยที่จะออกจากโลกเหลือดอกนั่นวนเวียนเป็นประชาธิปไตยอยู่ในโลกนั่นเป็นสังคมนิยมอยู่ในโลกข้ามพระพุทธเจ้ถือเยปุยยกทิกาเอาคนมากเป็นประมาณเป็นเครื่องตัดชินอธิกร แต่ว่ามาหากินตามเยผุยติกาอย่างเดียวสมมุขวินัยก็มีติณวัฏฐาลกาวินัยก็มีคนหมู่มากคนนั่นทําไมมีศีลทําไมไม่มีธรรมความประพฤติไม่ดีจะเจรจบพระไตพิโกก็ตามเพราะบรมศาสตร า, าก็ไม่เอามาเป็นเครื่องชําระอคิกรด้วยไม่ให้เอามาให้คะแนนเสียงด้วยเยผุยศิกาในข้างพุทธกาลมันเป็นอย่างนั้นเอาก็ตามคนผลมากเป็นประมาณ อันทุกวันเรานี่ไม่มีใครให้เสียงเราก็จ้างเอานั่นขี่มุราขี่มาแห้งก็าตามเพราะให้ได้คะแนนเสียงก็เป็นพอเยพุยชิกาทุกวันนี่เหตุฉันจึงเดือดร้อนอยู่ไม่เลีไม่รอดเยพุยชิกาเยพุยชิกากิเลสไม่ใช่เยพุยชิกาครับธรรมะเยพุยศิกาตัดตัดชิ้นเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณเอาข้างมากเป็นประมาณ จำพวกนั้นประพฤติดีด้วยปฏิบัติดีด้วยทั้งมีเกเรตน้อยด้วยจึงให้คะแนนเสียงจึงเอาเป็นเกณฑ์ได้ในที่ประชุมทั้งปวกภิกสุผู้วัดรูปวัตถุนิทานรูปข้อบัญญัติรูปภาะบัญญัติลูกข้อโตกลนลูปคลองอันเข้าอนุสนธิกันได้รูปทำรูปยี่ในทั้งเมืองต้นเมืองปลายทั้งอัถะทั้งพยัญชนะพระบรมศาสน า, ษาจึงเอาให้เข้ามามินิชัย ถ้ามอย่างนั้นแล้วพระสงฆกันข้ามไม่เอาเข้ามาเลยเ mm hmm. ยพุทธ่กาวพวกเราเอาค น, คนมากเป็นประมาณเมื mm ่อ hmm. คนมากมันมากไปทางผิดมันก็ลากไปทางผิดหมดอืมเมื hmm. mm ่อมันมากไปทางถูกก็คอยยังทั่วมันมากไปทางผิ ด, ผดเข้าใจผิดมันก็ลากไปทางผิดหมดเ mm hmm. <c oughs> นี่มันเอาเป็นประมาณไม่ได้ทั้งพุทธการไม่ได้จัดเร้เป็นฝ่ายข้านหรือฝ่ายอนุโมทนา ถ้ามันถูกก็มีสิทธิ์ที่จะอนุโมทนาได้ทั้งนั้นถ้ามันผิดมีก็มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านได้โดยเคารพทั้งนั้นทางพุทธการธรรมะในทางพุทธศาสนาไม่ได้ผูกขาดว่าจะให้กินทางคัดค้านถูกก็คัดค้านผิดก็คัดค้านมันก็บ้าใหญ่เนี่ยหรอไม่อนุโมทนาพัะตาอนุโมทนาไม่อนุโมทนาไม่ไม่อนุโมท น, น, น, น, น, น, นากันเลยมันก็ไม่ถูกเพราะใครก็ต่างอยากให้พักให้พวกของตนมีเด่น มันก็ประชันขันแข่งกันพวกกิเลสตาดำๆกันนี่มันก็แล้วไม่เป็นเนี่ยทําให้โลกกระบาลเครือ่ อ, องคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายตาวาดความกลัวตาวาดเท่านั้นจะคุ้มครองโลกไม่ใช่ลูกระเบิดปรมานูหรือไม่ใช่เอมอันนั่นเอ็มอันนี่เอมเวีนเอมไัยถ้าไม่ละอายตาวาดไม่กลัวตาวาดเรากฎหมายกดหมู่กดพักกดพวกจะตั้งขึ้นกี่ล้า น, นกี่แสนก็ตามเถิดมันตั้งมาอยู่หรอ อ่ะไปแล้วฉุกไปฉุกส้าพรป่านะเออแล้วก็ลืมไปพุะโธวธโมสังโฆพุะโถวธโมสังโฆพระโธวธโมสังโฆแล้วก็ลืมไปอ่ะอ ะหังตมมาุภะตวะภตะวะภะตะวาภะตะวภะตะวะภะตะวะภะตะวัภะตะวะภะตะวะภะตะวะภะตะวภะตะวะภะตวะภะตวะภะตะตะวะภะตะวะภะตตวะะะภะะะะะตตะะตตะภะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตัมัมัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมัมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตัมัมัสสะอิมานิมยังพันเติมานิายังัเต สัูจิวารานิปริวารานิตัริวาานิจักรปนูสังคสสะิภูสะโนอชยามะโนชยามะาธุโนเนพันเตพิภูสังคพิภูสังโคอิมานีกิมาณีปังสักูจีวารานิปาีวริตริวาลานิจักรปริวานิิคันหาโตปฏันหาหากลากีรังทีารตังอิตยะิตายะสุขายะ ค่ะตาเทพสุฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายค่ะ น้อมถวายอาบสกุลจีวอบาปทั้งคนวานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์แพระิสุสง์อพระิุสงศ์โปรบาพระสุิงาบสกุลจีวรทั้งของบริวทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่บิดามารดา ญุยตาญาุยตาญาบาจารย์ปูบาจารย์ตาพุทธทั้งหลายตาพทธ์ทั้งหลายกรลนานเทินตลกาลนานเทินพ่นี้โอ้พวงนี้มันต้องเอาพระมารวมที่นี่มาเอาประโลหะเสก่อจึงเอานี้จากนี้ นี่เนี๋ยวอัปเปโลกซะมีมีพอห้าองค์ไหมสี่องค์พอพอแล้วเอ า, เอา ท, ท, ทําทำทำในพิธีแค่เดี๋ยวนี้เ อ, เอามารวมไปก่อนตามอัตตาแต่ไม่ให้มีใครไปยื้อเทือยเป็นเจ้าของอานาตาก็เป็นจริงตามอนานาตาถ้าไปยื้อเทือยเป็นเจ้าของก็ต้องเป็นทิษ ของว่างก็เหมือนกันของไม่ว่างก็เหมือนกันเหตุเ่นั้นพราบอกเราปรสาสลายจึงยืนยันว่าเรารู้สมมติตามเป็นจริงของสมมติแต่เราไม่ติดอยู่ในสมมติเรารู้วีมุดตามเป็นจริงของวีมุตดแต่เราไม่ติดอยู่ในวีมุตดเราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าเราติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองก็จะบอกเราเรารู้สมุติและวีมุดด้วยนั่นที่เราบอกว่าท่านเสวยมีมุดที่สุขอยู่ที่นั่นที่นี่เก็บวันอย่างนั่นอย่างนี้ ก็พูดกันภาษาของเราให้รู้จักความหมายแต่ที่จริงพระบรามาาศาสดาสำคัญตัวอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบนะเออก็อยอมรับฝากมาแหมว น, นะครับสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเดีวจะให้พร ญาติวารีวหาปุราภิพุรีปุระท่าขลังเวเมวโตเนังเาหอพุทนังเรันจุวตตุตุรปุรักัโนโสยามิโระโยตาอิโยยวัชชนตุสัพพะทุโธตุภิโยติปุโรนะตมาีภวนปราเยติสีติโกโอภิวาสนาสีริสันิจังมาปะจายุตธรวัชนิอายโนดุสังปาลารรพุทธานุปาเวนะธรระธมานุปาเวนะ สภัสังฆานุภาเวนะพุทตรัตนังทรรมรันางทั้งคณะนั้นจินนังรัตนานัอาลภาเวนะจักราชีพิจาตสมกันดาลภาเวนะพิตตคัตตญานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสเปเตโรกาสเปเตติยาสเปเตอันสัตยาสเปเตอุปัทวาสเปเตตุนเมมิตตาสเปเตอมังคารวีนะสันตุ อายุวัตโกตากาวัตโกตากาพิธีวัโกตกาเวัโตากาารวโตาววัโตาทวัโโอตสาตโยาวิรานโขก่าทศตูจุปถวาการายมลสันตุเจตเจะนี่สิทิัมหังลาสโีภคทรริอตวนโังติยสวตาจอายุจชีวะจิตคพวนตุเตอลจักวาลใหญ่ีนี้ นี่มงคลจ้กวาน้อยสิทธิมาติเตโชสิทธิมหิทมานริมิตญติาะะตนะนิสุาาตะิาสุตานุภนญาาวนรุตะะสังคารานาวนังญาุาเระเมาลานุภาเนะทศปามิานุภาเวนะอุปปาลมิตานาเรนะทมาาามานาเนะีระสมาธิปัญญาณุภาเนะพุทธานาเนะธม เตชานภาวะิานุภาเวนะพระรานุภาเวนะเยยาธรรมานุภาเวนะจตุาสีติตาสัมกันานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอชังทุตมคานุภาเนะอัสสัสมาปติานุภาเวนะฉลพินยานุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะทศภรยานานุภาเวนะสัพญุตยานานุภาเวนะเมตตารุณามติตาปุานุภาเวนะสปพพริสตานุภาเวนะรตะนะไยะสรลานานุภาเวนะ ตุยหังสโกัสปตตุกโนสปาสมปีนส <off> <Yeah. S 2> ันตุสันสลายาปีนาตุปตกัปาตุยหังสมิันตุทีาต้าตุยหังโหนตุสตวัตสเกนสังคโกโหตุสปทาอาการสปปตวนะภูมิสังามาสมุทาราตาตตาารตุ้รัตวสตบประมาารรนสัวตาสุปตานาวีนะ สทาสวทีภวันตุเตภาวันตุสัพพังฆราวนตุสัพเตวตาสัพพะมาโนภาวนะสัทขาสวทีภาวันตุเตภาวันตุสัพพังฆังวาสันตุสัพเตาตาสัพะสงคานนภาวนะสัทาสทีภาวันตุเตทุกเมื่อทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งหับทั้งสือยู่ทุกเมื่อนั่ตืนพุโธธรโมโอสโมภูเนปปานังเป็นชุกชุกไปีอะ ให้พรถึงพระ น, นิภานเรียกว่าให้พรในโลกุตรละฮ ะ, ะเดี๋ยวเดี๋ยวมามามดแล้วพระเดี๋ยวจ้ะผมมาก็ได้ นามอุตสาหะวตุตสัมมาสัมปุทสะนมอุตสาหวโตตสัมมาสัมปุทสะนมอุตสวตุลาตสัมมาสัมบุทสะยัติยัติอาวโทสัมชาณาตุะยังปัมะพาโงเทระสาโูนาติอวุธเจาภาาหังปาปูนันติเตสั่งสกู้นงสมมายรานังรัท้านางย้าสุขังปริฏุขันตุหลเสร็จแล้วที่นี่โยมเมื่อของเศษของเดนโยมเอาไปกินมันจึงไม่เป็นบาป ถ้าอย่างนั้นมันเป็นหมาเป็นชุกเป็นุกพุโทโธธมโสัโฆเอ่อพุทโธธรมโอสัโฆพุทโธธรรมสังโถ้าเป็นชุกอยู่ทุกเมื่อทั้งยืนเดินนั่งนอนรับสื่อกราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานข้นจากทุกในวัฏสงสารทุกคนหน้านั่งสือ 对，不错，真好。哦，你家，你家先。 ความฉลาดวยไม่ติดอยู่ในความฉลาดก็มีความหมายอันย่กัน